คือความสงบจากทุกข์และเห็นตามจริงว่าวิธีระงับความอยากคือมรรคมีองค์8ถ้าแค่ข้อแรกไม่ผ่านยังเห็นชีวิตเป็นสุขยังเห็นชีวิตเป็นความหน้าพิสมัยไม่ต้องหาทางตัดวงจรอุบาทก็เป็นอ่านว่ายังอ่านอริยสัจข้อแรกไม่ออก 2. ในแง่คุณสมบัติของจิตสอบจากมรรคมีองค์8คือมีความเห็นชอบมีความดาริชอบมีวาจาชอบมีการกระทาชอบมีการเลี้ยงชีพชอบ มีความพยายามชอบมีสติชอบและมีความตั้งมั่นชอบ 3. าในแง่การเจริญสติเห็นภาวะเฉพาะหน้าสอบจากโพชงเจตคือมีสติรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายใจมีการพิจารณาเห็นสิ่งนั้นไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนมีวิริยะมีปิติมีปัสธิมีความตั้งมั่นของจิตและมีความวางเฉยในจิตที่ตั้งมั่นนั้น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 ตรงข้ามกลับปลอดโปร่งเป็นสุขอย่าบอกใครเหมือนคนตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะปลดภาระจากบา ท, ทิ้งลงพื้นแม้ยังแบกหนักอยู่เดียวนี้ก็รู้ว่าอย่างไรก็ต้องเบาตัวจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งและในทางกลับกันหากเข้าถึงความจริงอย่างท่องแท้ว่าทุกข์คืออุปาทานขันห้าหรือกายใจอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนี้ทั้งแท่งก็จะตระักว่า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 ฉันต้องดูดีๆก่อนว่าให้มีจิตแบบเขาน่าเอาด้วยหรือเปล่าจิตเขาเริ่มประพฤตเพื่อพ้นจากความทุรนทุรายหรือยังถ้ายังต่อให้มีดีขนาดไหนก็แค่ค่าทาดความไม่รู้อีกรายหนึ่งฉันขอปฏิเสธความมีความเป็นเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดเมื่อเดินมาตามทางสู่นิพพานไกลขึ้นทางแห่งทุกข์ก็สั้นลงเรื่อยๆพิจารณาจากความรู้สึกนึกคิดในแต่ละขณะได้อย่างชัดเจน พอ เ, เห็นคนอื่นที่ยังไม่ทําทางไปนิพพานเสียทีตระหนักว่าพวกเขายังสะสมเหตุปัจจัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดก็เกิดยังไม่รู้อิโนโอิเนตายก็ตายอย่างไม่รู้อิโนโอิเนต้องลําบากลําบนใช้ชีวิตลองผิดลองถูกกันอย่างน่าเบื่อน่ายก็รู้สึกเอื้อมระอาจุกอกแทบพูดไม่ออกแต่ไปบอกใครเขาให้มาตามทางนี้ง่ายๆได้เมื่อไหร่เขาหาว่าบ้าเท่านั้นมีอย่างหรือ จะให้ทิ้งวิถีชีวิตอันแวดล้อมด้วยเครื่องคราวแห่งกามคุณอันเป็นยอดปรารถนามานั่งเดินภาวนามาใส่ใจลมหายใจกับอิริยาบทแทนการคิดคำนวณหาไรายได้หรือคนรักเพิ่มให้มากๆสรุปแล้วธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตนเลือกด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองรับผลด้วยตัวเองตามลําพังไม่มีใครทําแทนใครได้ต่อให้รักผูกพันนึกสงสารปรารถนาให้ได้ดีตามเราเพียงใดก็เถอะ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 ฉันมีความกระตือรือร้อนเต็มเปี่ยมที่จะรู้ที่จะดูที่จะพิจารณากายใจโดยความไม่เที่ยงไม่ทนไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่เลี้ยงความอยากใดๆไว้เลยแม้กระทั่งความปรารถนามรผลอันเป็นแรงส่งให้ก้าวมาถึงขั้นนี้ก็ตามวันที่หนึ่งถึงหกการยอมรับความจริงแบบไม่แทรกแซงย้อนกลับไปอ่านบันทึกในช่วงเดือนแรกๆเห็นตัวเองใช้สติตามรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งวันทั้งคืน ไม่ว่าจะเข้าหรือออกไม่ว่าจะยาวหรือสั้นกระทั่งเกิดสภาพจิตผู้รู้ลมทั้งปวงซึ่งณนะจุดนั้นเมื่อถูกอารมณ์ภายนอกกระทบจนเกิดราคะหนกักหรือเกิดโทสะแรงจิตจะล้มคว่ำขมำหงายขึ้นมาฉันก็อาศัยลมหายใจเป็นราวเกาะให้สติลุกขึ้นยืนหยัดใหม่เรียกว่าเป็นการเอาสติรู้ลมหายใจอันอบรมฝึกซ้อมไว้ดีแล้วเป็นตัวแทรกแซงไม่ปล่อยให้จิตหลงตเตลิดออกข้างนอกเกินกู จนกระทั่งบัดนี้ฉันก็ยังพบว่าลมหายใจยังคงเป็นหลักเป็นราวเกาะให้กับสติได้ดีเสมอข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างช่วงแรกกับช่วงนี้คือฉันหายใจได้ลึกเป็นปกติมากขึ้นเมื่อลมหายใจส่วนใหญ่ยาวสติก็มีอายุยืนอีกประการหนึ่งคือช่วงเวลาที่เกิดสติรู้เพียงว่านี่ลมหายใจออกนี่ลมหายใจเข้าเฉยๆนั้นน้อย แต่จิตอันสงบเงียบใสเบาจะเกิดความเคยชินรู้เห็นว่าลมหายใจเข้าจนสุดแล้วต้องคืนออกมาเป็นธรรมดาเชิญตรหนักว่าความเคยชินย่อมเกิดจากความสั่งสมการสั่งสมนิสัยในการเห็นลมหายใจโดยความไม่เที่ยงเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวที่ให้อานิสงส์ภัยสารประมาณไม่ถูกจริงๆลมหายใจที่ละเอียดแล้วย่อมปรุงแต่งกายให้แข็งแรง สติที่ตั้งมั่นรู้ลมได้หลายนาทีโดยปราศจากช่วงสะดุดย่อมปรุงแต่งจิตให้สงบประงับอิ่มเต็มอยู่กับภาวะอันเป็นปัจจุบันซึ่งก็แปลว่าถ้าภาวะทางกายใจอย่างใดปรากฏเด่นภาวะนั้นย่อมถูกรู้เท่าทันโดยความเป็นของไม่เที่ยงทันทีตามความเคยชินที่ได้เห็นอนิจจังของลมหายใจอยู่เสมอๆนี่ทำให้ฉันได้ข้อสรุปว่าการใช้ลมหายใจเป็นที่พึ่ง รวมทั้งใช้แทรกแซงอารมณ์ลบต่างๆนั้นจัดว่าสำคัญและจำเป็นต่อจิตที่ยังดิ้นพล่านเป็นปลาช่อนถูกทุบหัวแต่เมื่อใ ย, ยเหนียวของความอยากเบาบางลงปฏิกิริยาทางจิตไม่ตอบสนองอารมณ์กระทบรุนแรงเกินความสามารถรู้เท่าทันเวลานั้นควรรู้ทุกภาวะที่เกิดขึ้นตามจริงโดยไม่แทรกแซงใดๆนี่คือข้อแตกต่างที่สาคัญซึ่งเมื่อเห็นแล้วทาให้ฉันเกิดความอิ่มใจ ครึ่งปีก่อนฉันเคยเป็นคนธรรมดาที่ไม่เคยรู้เลยว่าลมหายใจเข้าออกมีอยู่ตลอด24ชั่วโมงช่วงแรกที่เริ่มปลงใจเจริญสติปัฏฐานจริงจังรู้ได้วันหนึ่งวันหนึ่งรวมแล้ว 2-3 นาทีแต่เมื่อเพียรพยายามไม่ลดละภายในอาทิตย์เดียวกระโดดขึ้นมาเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งรวมแล้วเกินชั่วโมงถัดจากนั้นแม้จะมีช่วงล้มลุกคลุกคลานบ้างก็พัฒนาขึ้นตามลาดับกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ กล้าพูดว่าแต่ละนาทีรู้หลายครั้งแม้จะทำกิจธุระทางโลกต้องคิดต้องเขียนต้องเจรจาสติก็มักย้อนกลับมารู้ลมหายใจเสมอเสมอถ้าหากคิดเร่งรัดจะทำอย่างนี้ให้ได้ภายในวันสองวันย่อมเป็นความโลภเกินตัวที่ศูนย์เปล่าแต่หากทำเรื่อยๆด้วยความใจเย็นไม่ลังเลไม่จับจดไม่หลาะแหละขอแค่ได้ชื่อว่าระลึกรู้เสมอเสมอด้วยความเพียรไม่เลงโลภอยากได้อะไร ไม่ทุกข์ใจกับความเป็นไปต่างๆตามแนวที่พระพุทธองค์ประทานไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทำเรื่อยๆผ่านวันผ่านเดือนพอสำรวจอีกทีก็จะพบว่าสติสมบูรณ์ขึ้นแล้วเมื่อจิตมีปกตินิ่งรู้อยู่กับลมหายใจและอริยบทโดยมากเห็นความว่างกว้างใหญ่ในภายในปรากฏเสมอๆ ม, มีเพียงภาษาอันละเอียดอ่อนเช่นความคิดผุดขึ้นกระทบใจ ก็เห็นคล้ายสายหมอกบางเบาลอยมาคลอเคลียผิวน้ําเรียบนิ่งครู่หนึ่งแล้วม้วนสลายหายหันไปเหลือแต่ความเงียบเชียบดุจแผ่นกระจกใสสว่างว่างเป็นเอกภาพปราศจากความอยากได้อะไรมากกว่านั้นพอเหลือแต่ภาวะดีๆจิตก็เลยมีอาการยอมรับตามจริงได้ง่ายขึ้นรวมทั้งไหวทันอกุศลธรรมทั้งหลายที่จอดมาเยือนจิตโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ แค่เห็นความต่างระหว่างภาวะดีเดิมกับคลื่นแทรกที่แหลมหน้าแปลกปลอมเข้ามาเท่านั้นทบทวนแล้วเปรียบเทียบอาการในอดีตกับอาการในปัจจุบันอีกประการหนึ่งคือช่วงแรกๆเมื่อเกิดภาวะใดขึ้นก็ต้องกำหนดหมายเหมือนแปะป้ายให้มันไว้ก่อนเช่นดูลมหายใจบางทีคิดไปด้วยว่าออกเข้าหรือนับหนึ่ง ส, งสาตามไปเรื่อยหรือเมื่อกำลังสุกก็บอกตัวเองว่าสุก เมื่อกำลังทุกข์ก็บอกตัวเองว่าทุกข์จิตจะมีราคะโทสะโมหะตามแนวทางในสติปัฏฐานสี่ขั้นไหนๆก็กำหนดนึกตามไปด้วยการเรียกภาวะต่างๆเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ก็เพื่อยกระดับความรับรู้ให้แก่จิตถ้าไม่แปะป้ายไว้ในเบื้องต้นจิตก็จะขาดตัวเชื่อมสติแต่พอเห็นจนคุ้นแล้วมีสติคมแล้วก็เหลือแต่ความรู้ว่าเห็นภาวะอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้น แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่มีส่วนความคิดมาช่วยภาคต่ออีกยกตัวอย่างเช่นในเช้าวันหนึ่งขณะขับรถออกจากบ้านได้ไม่กี่สิบเมตรมียายแก่คนหนึ่งเดินพวดพลาดข้ามถนนตัดหน้ารถชั้นในระยะกระชั้นชิดชั้นตก อ, กอกตกใจกดเบรกอย่างแรงปกติสมัยก่อนถ้าตกใจขนาดนี้จะนึกด่าในใจแบบไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมหรือถ้าถนัดหน่อย ก็อาจลดกระจกลงยื่นหน้าไปให้ศีลให้พรสักคำสองคำเป็นการระบายความอัดอั้นจากนั้นจึงค่อยกลับมาสงบสติกำหนดรู้ว่าภาวะนี้โกรธนะมีความร้อนกลางอกนะมีความทึบแน่นในหัวนะแต่เดี๋ยวนี้ฉันแค่รู้สึกถึงอาการไหววูบอย่างแรงของจิตเห็นความร้อนอันส่งมาจากก้นหลุมโทสะซ้ายหนึ่งแผ่วๆแล้วเลือนสลายลงอย่างรวดเร็วบนฐานสติที่มั่นคง แปลเป็นความสงบเย็นสติเบนมาเห็นภาวะนิ่งเย็นของจิตแทนสภาพเหล่านี้ถูกรู้โดยไม่มีเสียงภาคไม่ต้องมีเจตนาแผ่เมตตาให้ยายแก่ไม่แม้แต่จะกําหนดว่านี่ขณะแห่งความเกิดนี่ขณะแห่งความแปรไปนี่ขณะแห่งความกลับคืนเป็นสงบเย็นเต็มดวงทุกอย่างถูกรู้เองเหมือนสายหมอกไม่มีชื่อสายน้ําไม่มีนามสกุลร้อนก็ถูกรู้ว่าร้อนเย็นก็ถูกรู้ว่าเย็น เห็นภาวะเด่นปรากฏแล้วหายลับก็เป็นอันว่าจบกันไม่มีอะไรมากหรือน้อยกว่านั้นความรู้อยู่ที่จิตย่อมเป็นอภัยทานในตนเองฉันไม่ถือโทษโกรธโลกอีกต่อไปถ้าโทษก็โทษสติที่ทำงานไม่ทันแต่ไม่มีคำด่าให้ใครไม่มีแม้คำติเตียนให้ตัวเองสภาพสติรู้ตั้งมั่นเบิกบานเห็นทุกอย่างเป็นอัตโนมัติโดยปราศจากความคิดบิดเบือน หรือหาอะไรมาแทรกแซงนั่นเองจึงเหมือนวันทั้งวันลงสนามปฏิบัติอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่มีการบังคับควบคุมมีแต่การยอมรับตามจริงว่าเกิดภาวะดีร้ายใดๆขึ้นมาพอทำงานที่จำเป็นต้องใช้ความคิดเครียดหลายชั่วโมงติดกันพอพักก็กลับมายึดราวเกาะรู้ลมหายใจเข้าออกรู้อิริยบทนั่งไปพยายามยอมรับว่าอิริยบทนั่งมีความเกรงแขนเกรงเนื้อตัว ในหัวยังโอลลามันด้วยความคิดพอยอมรับก็เกิดสติรู้ภาวะเกรงนั้นๆพอสติรู้เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นไปผนวกกับฐานสติเดิมซึ่งอบรมไว้มากแล้วความผ่อนคลายก็ตามมาสติว่องวัยจนไม่หลงไปกับสุขอันเกิดจากความผ่อนคลายนั้นด้วยเพียงแค่เปรียบเทียบภาวะต่างระหว่างเครียดกับคลายเห็นทั้งเครียดและคลายนั้นเป็นคนละอย่างและต่างก็ไม่ใช่ตัวชั้นด้วยกันทั้งคู่ เป็นเพียงสภาวะส่วนหนึ่งของกายที่มีให้อาศัยระลึกรู้ว่าไม่เที่ยงเท่านั้นบางวันความรู้สึกที่จิตเด่นกว่ากายหลายชั่วโมงพอเกิดความชื่นชมคุณภาพจิตของตัวเองแทนที่จะหลงฟูหรือเกิดมานะว่าฉันคือนักภาวนาผู้เก่งกาจก็พิจารณาอย่างรู้ตามจริงว่าภาวะดีๆนี้หาได้มีอยู่ก่อนหาได้ตั้งอยู่ถาวรตลอดไปและคุณภาพก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ลอยมาอย่างบังเอิญ แต่ได้มาจากวินัยฉันตื่นเช้าตีสี่สม่ำเสมอเพื่อนั่งสมาธิและเดินจงกรมก่อนนอนแม้เพลียจัดก็ต้องทํานิดทําหน่อยไม่ขาดในที่สุดจิตจึงยอมสิโรราบให้กับความเพียรความเพียรเป็นของที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทํากันในปัจจุบันล้วนๆไม่อาศัยความเชื่อไม่ฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างไม่หวังน้ําบ่หน้าใดๆทั้งสิ้นจะได้ไม่ละความพยายามทําดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เพียงเพราะสำคัญว่าตัวเองดีแล้วคุณภาพจิตเป็นเลิศแล้วหน้าบันทึกไว้อีกประการหนึ่งสติอันเป็นอัตโนมัติเห็นสภาพจิตต่างๆทั้งวันทั้งคืนนั้นทำให้รู้สึกเหมือนได้ตัวต่อจิกตอของอนัตตาภาพมามากขึ้นเรื่อยๆจนใกล้ครบตระหนักว่าแม้อกุโศลจิตหรือทุกขเวทนาก็เป็นสิ่งจาเป็นต้องเห็นไม่อย่างนั้นจะขาดตัวเปรียบเทียบว่าจิตนี้เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเป็นอนัตตา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 เพื่อให้ถึงความว่างจากอุปาทานและกลืนเป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นอยู่กับความว่างนั้นอีกยิ่งทาก็ยิ่งชำนานแม้ระหว่างวันพอนึกขึ้นมาทำเหตุที่ถูกทางเข้าสู่สภาพว่างความว่างก็มาเยือนอีกและอีกกระทั่งสองสาวันต่อมาฉันเริ่มฉุกใจเมื่อเห็นสติเริ่มไม่ค่อยทำงานกับภาวะที่เป็นปัจจุบันคอยเฝ้ารอแต่ว่าเมื่อใดจะถึงจังหวะเหมาะหลีกเล้นจากภาระหน้าที่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 สมควรจะทำอะไรต่อก็ได้คำตอบจากพ่ชงเจ็ทันทีว่าความวางเฉยต่อสภาพรู้ตั้งมั่นอย่างไม่บริบูรณ์เพราะถ้ามีความวางเฉยอย่างบริบูรณ์ย่อมรู้เฉยๆเรื่อยไปโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจะต้องทำอะไรต่อการวางเฉยในขั้นนี้ก็อาศัยการยอมรับสภาพสงสัยเหมือนบันไดขั้นแรกๆนั่นเองเพียงแต่คราวนี้พิเศษกว่าขั้นแรกๆ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 วางเฉยโดยปราศจากความไหวติงแม้แต่เงาแห่งความคิดทาบลงมายัางพื้นจิตก็รู้โดยไม่หลงสําคัญไม่หลงเต็มใจยินดีให้เงาดังกล่าวอาศัยอยู่เพื่อความเจริญขึ้นของอุปาทานว่าเป็นตัวชันความวางเฉยยอมรับตามจริงขนานแท้นั้นหาใช่เกิดขึ้นกับชานหาใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับจิตดีๆแต่เกิดขึ้นกับจิตธรมธรมดาๆทั่วไปที่มีสติประกอบอยู่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 เสียงจจกระจันเรไราตามสมุทุมพุ่มไม้ในละแวกใกล้ดังระงมกระทบโสดฉันเห็นอาการไหวตัวของจิตคือมีอาการแปรจากลักษณะรู้ที่จิตเองไปรับรู้สำเสียงหน้าอภิรมของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยข่คลื่นเสียงดุดมนกล่อมโลกนั้นก่อให้เกิดความสงบที่จิตและมีความพึงใจในรสแห่งความสงบนั้น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 ฉพลันนั่นเองฐานที่ยืนของอัตตก็หมุนควงสู่ความทลายลงดุจความพินาศของพื้นโลกกลายเป็นความว่างหายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนถัดมาจึงบังเกิดแสงสว่างพลุ่งพลงจากความว่างพิสุทธิ์ดุจเดียวกับสายฟ้าที่สว่างขึ้นรอบทิศ ย, ยังความมืดมนอนทการให้หายไปและเห็นแต่ความจริงคือมหาสมุทรแห่งความว่างไร้รูปไร้นามไร้นิมิตแม่น้อยเท่าน้อย และจิต ท, ที่แผกว่างเบิกบานออกเป็นอนันต์ก็แค่เพียงธรรมชาติหนึ่งที่ต้องถดถอยกลับสู่ภาวะรับรู้ด้วยหูตาตามปกติริมฝีปากของชั้นสยายแย้มจนสุดตามวิสัยแห่งจิตอันโสมนัสในธรรมมาพิสมัยพุทโอเอย๋ยนึกว่านิพพานซ่อนอยู่ที่ไหนขณะแห่งการรู้แจ่มแจ้งตามจริงแทงทะลุกำแพงบทบางแห่งอุปาทานขันห้าเสียได้นิพพานก็ปรากฏแก่จิตตรงนั้นเอง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 ฉันใดก็ฉันนั้นถึงแม่ภิกษุเป็นอันมากจะดับขันเข้าสู่นิพพานนิพพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มด้วยบรรดาภิกษุเหล่านั้นความเป็นเช่นนั้นของนิพพานย่อมปรากฏแก่ผู้เจริญสติปัฏฐานจนสมควรจะได้เห็นดังเช่นที่พระอัตกะถาจารย์บรรยายไว้ในอัฏกถาวชิรสูตรถึงประสบการณ์การเข้าถึงมรรคผลระดับต่างๆไว้อย่างน่าเลื่อมใสมีใจความโดยสรุป สำหรับขณะแห่งการเกิดมรรคจิตว่าในยามราตรีคือเวลาที่มืดสนิทที่ได้ชื่อว่ามืดสนิทเพราะห้ามการเห็นทางตาเกิดขึ้นเมื่อใดที่พระโสดาปฏิมักอุบัติขึ้นนั้นก็จะเห็นเหมือนการแลบของสายฟ้านั่นเองการเห็นนิพพานในขณะแห่งโสดาปฏิมักเหมือนการเห็นทัศนียภาพรอบด้านของคนมีตาดีขณะฟ้าแลบ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 เพราะมีม่านหมอกความลุ่มหลงในจิตตนเองเป็นเครื่องบดบังความจริงขั้นสูงสุดแต่แสงแห่งพระสดาปฏิมักนั้นประดุดฟ้าแลบที่กระทำความมืดให้พินาตลงชั่วคราวความว่างที่มีอยู่แล้วเปิดเผย อ, อยู่แล้วเป็นความจริงอยู่แล้วย่อมปรากฏแสดงตนเองอย่างแจ่มชัดไม่เหลือความสงสัยเคลือบแคลงอีกเลยว่าความจริงอันเป็นที่สุดมีลักษณะอย่างไรธรรมมาพิสมัยเป็นสิ่งหน้าพิสวง ดุดมหาเพลิงที่ลุกพรึบขึ้นทำลายความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยให้หมดสิ้นไปทางแห่งความหลงร้ายสติไปในบาปเวรร้ายแรงต่างๆถูกปิดตายด้วยความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าและปราบเดียวนั่นเองคนธรรมดายอย่างมากเข้าถึงความคิดอันชานฉลาดแล้วอาจหักเหวิถีชีวิตด้วยความคิดแต่คนที่เจริญสติปัฏฐานจนเข้าถึงมรรคจิตได้นั้นย่อมทาเส้นทางในสังสารวัตให้หดสั้นลง และเห็นจุดหมายปลายทางอันเป็นที่จบที่สิ้นของวังวนทุกข์อย่างแจ่มชัดสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับท่านอนาถบินทิกะขะหบดีในปัจจะเวรพยสูตรใจความโดยสรุปคือดูกรขะหบดีเมื่อใดภัยเวรห้าประการของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกย่อมประกอบด้วยธรรมเป็นองค์แห่งโสดาปติสียางรวมทั้งข้อปฏิบัติอันประเสริฐ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 อาจจะในชาตินี้หรือในชาติหน้าภัยเวรหประการได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาจนตั้งอยู่ในความประมาทภัยเวรเหล่านี้ชั้นละได้นานแล้วก่อนเห็นนิพพานและเมื่อเห็นนิพพานแล้วก็สำรวจเห็นชัดว่าจิตตัดเด็ดขาดในภัยเวรเหล่านั้นแน่เพราะใจไม่ถึงใจไม่ยินดีและใจไม่เอาความเป็นโสดาบันคือผู้มีใจถึง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 เพราะเมื่อตนบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีการของพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านจะเป็นผู้ไม่รู้จักทางนี้ไม่เห็นทางนี้ไม่สาเร็จธรรมแห่งนิพพานตามทางนี้ได้อย่างไร 2. มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมไม่เชื่อตาตามกันอย่างไร้เหตุผลว่ามรรคผลเป็นของล้าสมัยไปได้เพราะธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งไม่จำกัดการปฏิบัติตนให้พร้อมดูได้เมื่อไหร่ก็เห็นได้เมื่อนั้นส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 เมื่อรู้ชอบแล้วย่อมกระทําทุกข์ให้เบาบางลงจนกระทั่งถึงที่สุดทุกข์ได้ฉันเห็นแจ้งตามจริงด้วยจิตอันเป็นปัจจุบันตามนั้นทุกประการด้วยความสงบแห่งภัยเวณหประการด้วยธรรมอันเป็นองค์แห่งโสดาปติสีย่างและด้วยข้อปฏิบัติอันประเสริฐเช่นการดำเนินจิตตามหลักสติปัฏฐานส่ฉันมีจิตอันปลอดโปรง่งสว่างโพลเป็นผู้รู้จักนิพพานย่อมมั่นใจในตนเองว่า เป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เิรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกคติวินิบาศสิ้นแล้วเป็นโสดาบันผู้จะไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ทำขั้นสูงสุดในภายภาคหน้าการจะมีพบชาติสิ้นสุดลงเมื่อใดอาจไม่เป็นที่ปรากฏชัดผู้เป็นโสดาบันไม่อาจพยากรณ์ตัวเองแต่พระพุทธองค์ตรัสรับรองไว้หลายแห่ง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 แล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งมีไม่เท่ากันในอริยบุคคลแต่ละท่านเพื่อความชัดเจนว่ามีกิเลสใดขาดศูนไปมักใช้หลักเทียบเคียงกับสังโยชน์สังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกใจบางท่านเปรียบไว้กับโซ่ร้อยรัดสิบเส้นดังนี้ 1. สักกายทิฐิ ความเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาและพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้สศีละพัตะปปามา m ความเข้าใจผิดว่าความบริสุทธิ์อาจเกิดขึ้นได้ด้วยศีพลพรดนอกศาสนาที่ปราศจากมักมีองค์8 4. กามราคะความติดใจในกา ม, มคุณ 5. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ 6. รูปราคะความติดใจในฌานอาศัยรูป 7. อรูปราคะความติดใจในฌานอาศัยอรูป 8. มานะความถือว่าตัวเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทธจัจจะความฟุ้งซ่าน 10. อวิชชาความไม่รู้ในสัจจะอันแท้จริง สังโยศสามข้อแรกถูกล้างผลาญไปพร้อมกันในคราวเดียวด้วยมหาเพลิงคือพระโสดาปฏิมักแต่พระโสดาปฏิมักไม่อาจล้างผลาญสังโยดข้อต่อๆมาได้โสดาบันบุคคลจึงเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษายังต้องทากิจคือเจริญสติปัฏฐานต่อไปเพื่อให้เกิดไฟล้างครั้งต่อๆมาจนกว่าอวิชชาจะสิ้นสิ่งที่ผู้ศึกษาทำมักสงสัยและสับสนกันอย่างที่สุด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 และความไม่มีที่ตั้งอันเป็นลักษณะของนิพพานหรือพูดง่ายๆว่านี่คือการเข้าสมาธิที่มีนิพพานเป็นเครื่องหน่วงจิตนั่นเองหลังปรากฏการบรรลุธรรมฉันลองนั่งกำหนดรู้ลมหายใจอย่างที่เคยกาหนดเห็นอิริยบทนั่งคงที่อย่างที่เคยเห็นรู้ชัดในสุขเวทนาอันเกิดพร้อมอยู่ในสายลมหายใจและอิริยาบทนั่งอันคงเส้นคงวานั้น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 เปลือกตมคือกามเป็นสภาพล่วงได้โดยยากส่วนอมตะนิพพานเรียกว่าบกเพราะเป็นสภาพที่สงบจากสังขารทั้งปวงจึงไม่อาจมีรูปนามอันเจือด้วยกามใดๆมาแพร่พานหรือตั้งอยู่ที่นี่ได้ฉันเห็นนิพพานโดยความเป็นจริงแท้หนึ่งเดียวนอกเหนือจากนั้นเป็นเพียงมายาลวงใจแล้วก็มาพบว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้โดยความเป็นเช่นนั้นด้วยคือท่านตรัสในทาตุวิพังคสูตร ว่าผู้หลุดพ้นย่อมตั้งอยู่ในความจริงสิ่งที่เปล่าประโยชน์ได้แก่ความปรุงแต่งอันแปรปรวนเป็นธรรมดานั้นเท็จสิ่งที่ไม่เละเลือนเป็นธรรมดาได้แกน่นั้นจริงเข้าผลสมาบัติหลายรอบจนรู้แล้วว่าที่สุดก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีรางวัลใหญ่เกินกว่าสิ่งที่ปรากฏเปิดเผย อ, อยู่แล้วที่ผ่านมาแค่เคลาไปและมองไม่เห็นเองแม้บังเกิดปิติยิ่งใหญ่ในธรรมมาพิสมัย ฉันก็ไม่รู้สึกแตกต่างมากนักระหว่างก่อนได้กับหลังได้มรรคผลเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันสมควรจะได้เพราะทำเหตุไวพอดีกับผลอยู่แล้วมองย้อนกลับไปฉันก็เห็นว่าผู้ภาวนาควรพอใจตั้งแต่สามารถเห็นได้ว่าขันห้าเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเพราะเริ่มสิ้นความอยากมีภัยเวรแล้วปลอดจากนรกแล้วผู้มีองค์ทั้งแปดของมรรคพร้อมแล้ว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 ย่อมปรากฏที่ด้ามมีดของนายช่างไม้แต่นายช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ด้ามมีดของเขาสึกไปประมาณเท่าใดเมื่อวานสึกไปประมาณเท่าใดวันก่อนก่อนสึกไปประมาณเท่าใดในช่างไม้มีความรู้แต่ว่าด้ามมีดสึกไปแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อภิกษุเจริญภาวนายอยู่ก็หารู้ไม่ว่าวัานนี้อาส ว, วะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วประมาณเท่าใ hmm. ดเมื่อวานสิ้นไปแล้วประมาณเท่าใด หรือวัน ก, ก่อนๆสิ้นไปแล้วประมาณเท่าใดก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นเมื่ออาสะวะสิ้นไปแล้วเธอก็มีความรู้แต่ว่าสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครมีบารมีอย่างกลางจเจริญสติปัฏฐานเจ็ดเดือนจะบรรลุอรหัตผลแต่ฉันจเจริญสติปัฏฐานเจ็ดเดือนเพิ่งบรรลุโสดาปติผลแสดงว่าบารมีต้องอย่างอ่อนเป็นแน่แท้การดูบารมีอ่อนบารมีแก่ จึงไม่ใช่วัดกันจากที่สั่งสมมาแล้วในอดีตชาติแต่ต้องดูความเพียรอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันด้วยเพศครวาดเป็นทางแคบเป็นที่มาของฝุ่นละอองไม่ได้มีหน้าที่ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งเหมือนเพศบรรพชิตแต่สิ่งสำคัญคือครวาดก็เจริญสติปัฏฐานได้ถ้าสมัครใจและสามารถบรรลุธรรมที่ถูกต้องได้ในเวลาไม่นานเกินรอขอเพียงมีเหตุปัจจัยที่สมน้าสมเนื้อกันกันกบมรรคผลเท่านั้น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 สำหรับฉันควรทำเช่นใดต่อไปเป็นพิเศษเพื่อถึงยอดแห่งความสวัสดีโดยไม่เนิ่นช้ากลับเข้าห้องนอนเปิดคอมพิวเตอร์เกิดความอยากรู้ขึ้นมาว่าขารวาสในสมัยพุทธกาลมีที่บรรลุธรรมกันมากน้อยเพียงใดโดยจำได้เลาๆว่าเคยอ่านผ่านตาเห็นมีอุบาสกอุบาสิกาที่ยังบริโภคกามแต่สามารถปฏิบัติภาวนาไดถึงระดับอนาคามีมากมายฉันอยากอ่านสูตรนั้นอีก จึงค้นหาด้วยคําสําคัญคืออุบาสกและบริโภคการมก็พบกับมหาวัจฉาโคตรสูตรซึ่งเป็นสูตรเกี่ยวกับนักบวชนอกพุทธศาสนาคนหนึ่งที่มีโอกาสเข้าเฝ้าและกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมซึ่งหลังจากที่พระศัสดาสแสดงธรรมที่เป็นอกุศลและธรรมที่เป็นกุศลตามลําดับท่านวจฉะก็เกิดความสงสัยและทูลถามว่าภิกษุกับภิกษุณีผู้เป็นสาวกแห่งพระองค์มีมากหรือไม่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 ก็อุบาสกหรืออุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวกของพระโคดมฝ่ายครือหัดนุ่งผ้าขาวบริโภคกรรมทำตามโอวาทคำสอนของพระองค์แล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเครือบแคลงแล้วถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าแล้วไม่เชื่อศาสดาอื่นแล้วมีอยู่หรือไม่พระเจ้าค่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูกวัชชะ พวกอุบาสกและอุบาสิกาผู้เป็นสาวกของเราฝ่ายขรือหัดนุ่งผ้าขาวบริโภคกามทำตามโอวาทคำสอนของเราข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงแล้วถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าแล้วไม่เชื่อศาสดาอื่นแล้วมีอยู่ไม่ใช่เพียงร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300้อไม่ใช่400ร้อยไม่ใช่500ที่แท้มีอยู่มากทีเดียว ฉันอ่านถึงตรงนี้แล้วยกมือไหว้อนุโมทนาท่วมศีรษะทราบซึ้งในพระมหากรุณาแห่งองค์าศาสดาเป็นล้นพ้นคนรุ่นเรารู้จักคารวะดังๆผู้บรรลุธรรมไม่กี่คนเช่นอุบาสกอย่างเช่นพระเจ้าสุโทธทนะสมเด็จพระพุทธบิดาผู้บรรลุโสดาปติพลหรืออุบาสิกาอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งก็บรรลุโสดาปติพ์เช่นกันความจริงในบันทึกและนอกบันทึกพระไตรปิฎก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 ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในพุทธศาสนาสมใจเมื่อบวชเพียงครึ่งเดือนก็ได้พระโสดาปัติผลสิริรวมเวลาได้4ปีกับสองสัปดาห์ท่านก็ล้างคราบความเป็นอัญญาเดียรถีสำเร็จมรรคผลเป็นอริยบุคคลองค์หนึ่งจากนั้นท่านก็เข้าไปกราบทูลขอคำแนะนำขั้นต่อไปจากพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ท่านก็ตรัสตอบว่าดูกรวัชชะถ้าเช่นนั้น เธอจงเจริญทาทั้งสองคือสมถะและวิปัสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดดูกรวัชชะทาทั้งสองคือสมถะและวิปัสนานี้เธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจักเป็นไปเพื่อแทงตลอดในาธาตุหลายประการสรุปคือจะเป็นผู้เริ่มต้นภาวนาหรือผู้ภาวนากระทั่งถึงมรรคผลแล้วก็ยังต้องเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป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 ในปฐมปนาสะคือดูกรภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชาทำสองอย่างเป็นฉนัยคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายสมถะที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละราคะได้วิปัสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละอวิชชาได้ในจิตตุปะปาทการของอภิธรรมปิฎกนิยามของลักษณะจิตอันเป็นสมถะและวิปัสสนามีอยู่ค่อนข้างชัดเจนคือสมถะมีในสมัยนั้นเป็นไฉไรความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่ใส่ไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต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 ความรู้จำแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญีสีปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนปราศาสตรความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีบปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิ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 สำคัญคือไม่ลืมหวนกับมาพยายามระลึกรู้อารมณ์เดิมหลังจากที่พลัดหลงไปบ้างก็แล้วกันส่วนวิปัสนาเริ่มขึ้นเมื่อจิตสงบจากสภาพฟุ้งแล้วเริ่มพิจารณาสภาวะที่กำลังปรากฏเด่นเฉพาะหน้าได้แล้วว่ามีลักษณะอย่างไรและลักษณะนั้นคงที่หรือแปรปรวนเป็นธรรมดาทบทวนย้อนไปในอดีตเมื่อแรกที่เริ่มสนใจภาวนาพยายามระลึกรู้ให้เป็นวิปัสนาในระหว่างวัน อย่างที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านมักแนะนำฉันจะมีสติแบบเข้าข้างตัวเองคือนึกว่ามีสติตลอดเวลาปฏิบัติตลอดเวลาเห็นอะไรก็รู้กระทบอะไรก็รู้โดยไม่มีสภาพเปรียบเทียบว่าเมื่อไหร่จิตตกจิตขึ้นมีสติคมหรือสติทื่อช่วงเวลานั้นจุดบอดก็คือการขาดสมาะนั่นเองหากปราศจากการทาสมาธิตามรูปแบบเสียบ้าง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 และลมหายใจก็คือเครื่องมือช่วยเจริญสติใกล้ตัวที่สุดทำได้ทุกอิริยาบทไม่จำกัดเวลาพระพุทธเจ้าจึงสันเสริญการอบรมสติรู้ลมหายใจบ่อยครั้งที่สุดในบรรดาข้อปฏิบัติอบรมสติทั้งหมดทุกชนิดถ้าไม่มีหลักไม่มีราวเกาะอย่างลมหายใจให้เริ่มต้นก้าวแรกจิตจะออกอาวไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้จะดูอะไรดีวันๆมีแต่อารมณ์เปะปะมั่วซั่วไปหมด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 หรือเหตุผลกลใดก็ตามทีอะไรบางอย่างทำให้ฉันอ่านข่าวนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสนัก ง, งานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศรางวัลที่หนึ่งของงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมปรากฏว่าชาวจังหวัดพิศนุโลกฮือฮากันใหญ่เนื่องจากทราบว่าหมวดหมายเลขรางวัลประจำงวดถูกส่งให้ยี่ปั่วมาขายในพื้นที่ของจังหวัดจานวนมากแต่ไม่มีใครทราบว่าผู้โชคดีสุดขีดที่ซื้อไปเป็นใครบ้าง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 หากได้เงินสดมาแล้วใช้เป็นก็ย่อมหลุดจากวงโครจรชีวิตอันยากลำบากทันทีจิตของฉันมีความคมนิ่งในลักษณะหนึ่งที่บันดาลให้ปิดตาลงแล้วถามจิตเหมือนยิงกระสุนคำถามเข้าไปที่กลางจอขาวอันราบเรียบว่าพวกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทำบุญอะไรมาและน่าสงสัยว่าถ้าเคยทำบุญขนาดได้ลาบลอยยิ่งใหญ่เห็นป่านนี้เหตุใดจึงมาเกิดในพื้นเพรครอบครัวค่อนข้างอัตคัดกันได้ ในความสว่างว่างอันปราศจากความคาดหมายใดๆคล้ายแผ่นน้ำสงบถูกก้อนหินกระทบแล้วปรากฏความกระเพื่อมขึ้นเพียงแต่ในที่นี้ไม่ใช่การกระเพื่อมขึ้นเป็นวงลูกคลื่นแตว่ากระเพื่อมขึ้นเป็นนิมิตคล้ายเงาเลือนรางที่ท่าผิวน้ำฉันเห็นเขาของชาวบ้านป่านั่งพนมมือกับพื้นและเขาเงาของพระธุดงยืนให้พร อ, อยู่แต่เหมือนมีตัวบอกออกมาจากทั้งนิมิตนั้นเป็นความเข้าใจถึงใจที่ยากจะอธิบายเป็นภาษา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 และราศีผ่องใสของพระธุดงยิ่งจึงบังเกิดปิติล้นพ้นอยู่เป็นนานนับวันชนิดร่างกายแทบไม่หิวโหยเลยเรียกว่าเป็นใจที่ยิ่งใหญ่เกินธรรมดาอีกทั้งเผอิญพระธุดงนั้นเป็นผู้มีจิตอันบริสุทธิ์ปราศจากมนทินจึงเกิดเป็นกรรมขาวติดตัวมาให้ผลหลายชาติแล้วโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะหมดลงง่ายๆซะด้วยเวลากมจะให้ผลมักเป็นไปในทางลาบลอยบางครั้งได้มาเฉยๆ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 จะทาบุญต่อเมื่อมีความเลื่อมใสใหญ่ใหญ่และมักจะเป็นไปในทํานองบังเอิญพบเขาติดนิสัยทําบุญโดยไม่ตั้งใจไว้ก่อนจึงบังเอิญเจอบุคคลหรือเหตุให้ทําโดยบังเอิญบ่อยๆแต่กรรมที่ตรนีเป็นประจำเป็นอาจินกรรมนั้นให้ผลหนักแน่นกว่าคือส่งให้ไปเกิดในตระกูลที่ไม่ร่ารวยต่อเมื่อเติบโตขึ้นแล้วจึงได้ลาบลอยก้อนโตอยู่เสมอเสมอฉันลืมตาขึ้นสิ่งที่ปรากฏในนิมิต จะเป็นเพียงมายาทางจิตประการใดก็ตามทีอย่างน้อยก็ทำให้ฉันปลงโลกคาว่าบังเอิญไม่มีมีแต่คำว่าเพราะทำเหตุอย่างนี้จึงเกิดผลอย่างนั้นเพราะทาเหตุอย่างนั้นจึงเกิดผลอย่างนี้ทำในสิ่งที่เป็นบุญคือกรรมขาวทำในสิ่งที่เป็นบาปคือกรรมดำทำในสิ่งที่จะลอยทั้งบุญและบาปให้หมดคือกรรมไม่ดาไม่ขาวได้แก่การเจริญสติปัฏฐานสี่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 แต่แค่เห็นสภาพจิตอันเป็นปัจจุบันก็แทบอยากครวนครางออกมาแล้วว่าทุกหนอวุ่นวายจริงหนอเทียบจิตเขากับฉันแล้วก็ตระหนักว่าตัวเองเพิ่งได้ของดีที่สุดในโลกคือจิตอันรู้จักความสงบเย็นเช่นนิพพานแค่นึกถึงก็ปิติส้านเย็นไปทั่วทุกตารางนิ้วในร่างเมื่อน้อมสู่ความว่างก็หมดความอะไรใยดีในโลกเสียได้เหลือแต่ความสงบตื่นรู้สว่างโพลง่ง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 จึงไพร่ไปนึกถึงความแห้งแล้งของสถานที่ไกลชุมชนหรืออย่างมากก็ความสบายใจหลังยกภูเขาลูกใดลูกหนึ่งออกจากอกเสียได้แท้ที่จริงแล้วความสงบทางจิตความประงับอาการทยานอยากของใจสำเร็จนั้นให้รสอันลึกล้ำเกินจินตนาการหน้าเศร้าที่ให้หล่องลิ้มกันง่ายๆไม่ได้ต้องแลกด้วยแรงกายแรงใจรวมทั้งห่วงเวลาช่วงหนึ่งในชีวิตที่ไม่ค่อยจะมีมนุษย์หน้าไหนอ ย, อยากยอมสละให้ เพียงเพื่อทดลองลิ้มรสอันยังไม่เคยรู้นั้นสำหรับฉันถึงตายตอนนี้ก็ไม่เสียใจแล้วแต่คนได้รางวัลที่หนึ่งคงยังทำธุระไม่เสร็จยังต้องเสียดายชีวิตไปอีกนานที่ต่างประเทศเคยมีข่าวน่าสลดของชายคนหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกรางวัลใหญ่ทํานองนี้แต่เกิดโศกนาฏกรรมต้องมาด่วนตายจากโลกไปซะก่อนจะได้ใช้เงินแค่คิดฉันก็ไม่รู้สึกสเสนหาในลาบลอยของใครแล้ว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 ท่านน้อมหลังก้มกราบท่านหลายครั้งหลายครายิ้มปราบปลื้มขนลุกเกลียวไปทั้งร่างบรรดาทำปิติราวกับเพิ่งบรรลุธรรมใหม่ๆเกิดความคิดขึ้นมาว่าทัานทีที่มนุษย์ผู้มีปัญญามีอวัยวะครบได้เกิดสัตธาจะอุทิศตัวเจริญสติปัฏฐานเต็มกำลังในบัด น, นั้นเขากำลังสร้างโชคให้ตัวเองเหนือกว่าผู้ประสบลาบลอยระดับรางวัลที่หนึ่งทุกชนิดแล้วพบชาติเป็นสิ่งน่ากลัว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 หรือเป็นแหล่งกำเนิดบาปหนักของคนอื่นได้เท่าเท่ากันเพราะมีความสูงส่งทางจิตวิญญาณแต่ก็ยังมีราคะโทสะโมหะครบโดยเฉพาะถ้าเป็นคารวะก็เหมือนคนเหยียบเรือสองแคมกำกึ่งกันมากระหว่างปุถุชนกับพระฉะนั้นทางที่ดีควรระมัดระวังอย่าไปก่อความเจ็บใจให้ใครเขาอย่าเผลอเอาราคะโทสะโมหะไปออกหน้าปัญญาจะมีคนเดือดร้อนสาหัสเมื่อเขาคิดพูด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 ไม่ใช่เพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งเหมือนอย่างพระภิกษุสงฆ์ก็นับเป็นเรื่องน่าเสียดายหลายต่อหลายคนเป็นโสดาบันประเภทสัตว์ตักขัดตุปรมมคือต้องเกิดตายอีกเจ็ดครั้งกว่าจะจบสิ้นภพชาติก็เพราะบรรลุโสดาปฏิผลขณะเป็นคราวาดเพลิดเพลินไปกับการเหยียบเรือสองแคมอยู่นี่เองต่างจากการบรรลุธรรมขณะเป็นพระเส้นทางจะดึงดูดให้เจริญภาวนายิ่งยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดก่อนตายแม้พักภาวนาบ้าง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 ก็เป็นอันหมดสิทธิ์เจริญต่อทำสิทิประการเหล่านั้นได้แก่ 1. หงลงสำคัญผิดเข้าใจว่าตนเป็นอรหันต์เพียงเพราะเป็นผู้สดับฟังมากจนขึ้นใจรู้รอบตอบได้หมด 2. เป็นผู้มีความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่มาก 3. เป็นผู้มีความพยาบาทกลุ่มรุม 4. เป็นผู้มีความหดหูง่วงงุน 5. เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอย่างมาก 6. เป็นผู้มีความสงสยัยเคลือบแคลงไม่รู้จบ7เป็นผู้ชอบการงานยินดีในการงานประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้ชอบการงานหมายถึงการงานอันจะดึงจิตให้ส่งออกนอกขอบเขตสติปัฏฐาน 8. เป็นผู้ชอบในการคุยยินดีในการคุยประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้ชอบพูดคุย 9. เป็นผู้ชอบนอนหลับยินดีในการนอนหลับ ประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้ชอบนอนหลับ 10. เป็นผู้มีสติหลงลืมทอดทุระในคุณวิเศษเบื้องบนเพราะได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องต่ำข้อสุดท้ายทำให้ฉันตะลึงตระหนักในบัตรนั้นว่าความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ย่อมเหมือนกันมาทุกยุคทุกสมัยไม่มีเว้นเป็นโสดาบาันอาจปลอดภัยจากนรกแต่ยังไม่ปลอดภัยจากความประมาททอดทุระได้ ซึ่งหมายความว่าอาจต้องอยู่โยงยาวในสังสารวัตต่อไปอีกหลายชาติแทนที่มีโอกาสแล้วจะเข้านิพพานเสียโลกของคราวาเต็มไปด้วยเหยื่อล่อฉันคงต้องหมั่นถามตัวเองให้บ่อยขึ้นว่าต้องการสอบไล่ให้ผ่านหรือจะยอมซ้ำชั้นเดิมรวมกับคลื่นลูกหลังอีกและอีกเจ็ด <7 S 2> เดือนที่ผ่านมาทำให้ฉันตระหนักอย่างหนึ่งว่าชีวิตของผู้เจริญภาวนาไม่เป็นไปตามตัวหนังสือสั้นๆในพระคัมภีร์เช่น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 ต่อปนี้คงต้องเริ่มเน้นงานสมถะให้มากเช่นทำความยินดีพอใจในฌานกับทั้งทมอสุภกรรมฐานจนจิตไม่คลองแวะกับกามอีกต่อไปวันที่1 4ถึงสอนิมิตรประจำตัวภูมิจิตของโสดาบันนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสงบง่ายกว่าปุถุชนทั่วไปเหตุเพราะจิตไม่เอาเวรัยและอกุศลธรรมหยาบอันเป็นเครื่องขัดขวางสมาธิ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 คำแนะเช่นจงทาดีนั้นฟังติดหูและเหมือนเข้าใจกันด้วยสามัญสำนึกทั่วไปแต่ความจริงมีรายละเอียดและข้อน่าสงสัยเป็นประเด็นจุดชนวนให้เกิดข้อถกเถียงซ้ำซากได้ไม่รู้จบสิน้นแต่สําหรับผู้สารวจจิตเป็นเห็นว่าความตั้งใจอันเป็นกุศลกับผลลัพธ์อันเป็นกุศ ล, ลจิตมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรก็จะคลายความขัดข้องในทุกประเด็นลงได้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 จิตที่รวมเป็นหนึ่งก็ฉายนิมิตของภาวะรุ่งเรืองขึ้นมาทีแรกสัมผัสว่าเป็นสภาพสุขสกาวทางจิตแต่จิตที่ยังยึดมั่นและเกี่ยวข้องกับภพบย่อมก่อรูปบางอย่างขึ้นและรูปที่ฉันเห็นในนิมิตก็คือชายผู้มีชีวิตอันเบาสบายสะอาดกายใจอุดมด้วยเครื่องแวดล้อมอันน่ารื่นรมณนะจุดนั้นทาให้เข้าใจวิธีรู้เห็นเรื่องลี้ลับมากขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย จิตอยู่ในมิติไหนก่อกรรมอันใดโดยมากก็สร้างภพอันมีความเป็นเช่นนั้นไว้การที่คนเราเกิดมามีสภาพหนึ่งหนึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือผู้มีอำนาจท่านใดส่งมาแต่มาด้วยการจัดสรรของกรรมมาด้วยความมีจิตยึดมั่นในภพของความเป็นเช่นนั้นฉันเริ่มมีความชํานาญมากขึ้นคือกระทําจิตให้ตั้งมั่นเป็นกลางแล้วน้อมนึกถึงอะไรเหมือนยิงกระสุนคําถาม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 หากสำรวจให้ละเอียดจะพบว่าทุกคนมีนิมิตประจําตัวกันทั้งสิ้นวิธีพูดกับคนรอบตัวการกระทําต่อคนที่เข้ามาหาให้เขาเดินกลับออกไปด้วยน้ําตาหรือเสียงหัวเราะนั่นแหละคือรูปนิมิตกรรมอันเป็นเงาตามเจ้าของกรรมไปทุกคนทุกแห่งคนธรรมดาต้องรู้เห็นความเป็นไปของผู้อื่นนานๆจึงทราบว่านิมิตประจาตัวของเขาพูดนั้นเป็นอย่างไรและถ้าเขาพูดนั้นกระทากรรมในที่รับ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 ฉันเห็นตามจริงว่ายิ่งจิตเป็นสมาธิมากก็จะมีความเที่ยงตรงมากรวมทั้งคัดกรรมเด่นมาแสดงแบบไม่มีฝ้าหมาอกอคติเคลือบคลุมด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอา น, นิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานคือฤทธิ์ทางใจประการต่างๆนั้นเป็นจริงแท้ฉันไม่เคยฝึกฝนอภิญยาสาขาไหนเลยแต่การรู้อยู่ที่กายใจบ่อยๆนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจธรรมชาติทั้งปวง เพราะจักราวาลทั้งจักราวาล น, นี้เป็นเพียงภาชนะรองรับภพบภูมิภพภูมิเกิดจากอุปาทานถือมั่นของจิตความหยาบและประณีดของภพภูมิจำแนกออกด้วยมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมของสังสารสัตว์นี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงมีกระแสบังคับต่างๆเช่นภูมิประเทศร้อนหนาวการให้ผลดีร้ายของกระแสจากดวงดาวความสั้นยาวของวัตจักแห่งความเสื่อม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 แต่จะก่อกรรมแบบที่เป็นหนี้ต้องชดใช้ภายหลังและระบบกรรมก็ไม่มีการแจ้งยอดชำระพร้อมแสดงรายการต่างจากหนี้บัตรเครดิตถึงรูดเยอะแค่ไหนก็มีรายการแจ้งการลืมลองคิดดูว่าตอนรูดบัตรเครดิตเพลินแล้วต้องมาร้องจักในภายหลังเมื่อเห็นยอดนั้นเป็นอย่างไรก็จะเป็นยิ่งกว่านั้นตอนจิตสุดท้ายย้อนภาพมาใช้ให้ทบทวนว่า1ชาติทาอะไรไปบ้าง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 ไม่ได้ถูกใช้สว่างขึ้นโดยง่ายเมื่อเห็นแล้วก็ควรรีบรุดไปไม่รอช้าแข่งกับการเวลาที่จะเอาเงามืดมาปกคลุมหนทางไปอีกนานนับกลับนับกันกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และชี้ทางเช่นนี้อีกสิ่งที่ได้จากเดือนที่7 1. ็บรรลุธรรมเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วไม่ว่าจะต้องเกิดอีกเจ็ดชาติหรือสิ้นพบสิ้นชาติในปัจจุบันก็ไม่ต้องกลัวความตกต่าอีกต่อไป